สี่ห้าวันที่แล้วนะมีงานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนที่กรุงเทพที่หอจตุไมเหตตธาตุหรือว่าสวนมกกรุงเทพปีนี้นะก็ใช้ชื่องานว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นคำพูดของหลวงพ่อเองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง ถ้าพิจารณาดูให้ดีมันก็ให้ความหวังนะกับผู้คนโดยเพราะรูปศิษย์ว่าแม้คนเราเกิดมาแล้วต้องเจอความทุกข์ช น, นิดเรียกว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พูดง่ายคือชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ แต่ก็มีสิทธิที่จะไม่ทุกได้ไม่ใช่ว่ามีลมหายใจแล้วนี่มันจะต้องเป็นทุก์เสมอไปการไม่ทุกนี่ก็เป็นสิทธินะของเราทุกคนอันนี้มันก็ไม่ใช่แค่หลวงพ่อเท่านั้นนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งพระเจ้าเองเนี่เคยตรัส สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดอาศัยรอบเป็นกระยาณมิตรสัตว์เหล่านั้นนะยอมพูจาัด ก, การเกิดพูดจัด ก, การแก่ผล้จับความตายพูจับความโศก ค, ความร่ํารราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจอันนี้พรเจ้านะจัดเองเลยนะว่ามาเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วย ต้องประสบกับความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแทนใจรวมทั้งความตายแต่ก็สามารถจะพ้นจากอาการเหล่านั้นได้ความหมายนัคือว่ามันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนะ แล้ก็ต้องเจอกับความสิ่งไม่เป็นที่รักไม่พอใจแต่ว่าก็ไม่มีความโศกไม่มีความร่ำไรรำพันไม่มีความาสบายกายสบายใจไม่มีความทุกข์ได้เหมือนกันทีนี้ที่จริงในผู้จองตัดนะไปกระทั่งว่ า, นาเนี่ยอริยสัพเเนี่ยคืออริยโลกุตตระธรรมเนี่ยนะ เป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนเลยทีเดียวอริยะโลคุตตะธรรมนี้ก็หมายถึงสภาวะที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกเป็นทรัพย์ประจำตัวของเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักทรัพย์นี้ไหมถ้าใครไม่รู้จักทรัพย์นี้หรือว่าไม่นำทรัพย์นี้มาใช้เกิดประโยชน์ก็ยังต้องทุกต่อไป อันนี้เราพวกบัวใต้น้ำก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นสารานั้นไม่มีสิทธิที่จะพ้นทุกม์มีแต่ว่าไม่รู้จักสิทธิที่ว่าหรือไม่รู้จักความจริงว่าตัวเองมีทรัพย์ที่ว่าอริยโลกุตตรธรรม เป็นทรัพยประจาตัวทุกคนอันนี้เป็นการให้ความหวังนะกับผู้คนชาวพุทธเนี่ยเรามาเรียนเรื่องพุทธศาสนาก็ได้ยินในคำว่าทุกทุกทุกเกิดก็เป็นทุกนะหรือว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกแต่ว่าข่าวดีคือว่าเราก็มีสิทธิจะไม่ทุกได้หรือว่าสิทธิจะพ้นทุกก็ได้แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าสิทธิกับหน้าที่มันมาด้วยกันนะ เราจะมีสิทธิ์หรือว่าเอกสิทธิ์ใดๆเนี่ยมันไม่ได้ได้มาเปล่าๆนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราทำหน้าที่ทำงานในบริษัทในองค์กรใดก็ตามเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษอาจจะเป็นสวัสดิการหรือว่า รถประจาตาแหน่งเนี่ยนะมันก็ต่อเมื่อเราทำหน้าที่นะถ้าเราทำหน้าที่ได้ดีเราก็จะมีสิทธิ์หรือว่าเอกสิทธิไม่มากก่อน้อยห น, นังสิ์ที่จะไม่ทุกเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับหน้าที่นะเราจะมีสิทธิ์ไม่ทุกได้อย่างไรน ะ, ะก็ต่อเมื่อเรามีหน้าที่หรือทำหน้าที่ ได้ดีได้คดทวนหน้าที่ที่ว่าคืออะไรนหะหน้าที่ที่ว่าเนี่ยอย่างนี้คือหน้าที่รักษากายและใจไม่ให้ทุกข์ถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้ไม่รักษาดูแลกายและใจใ้การที่จะ มีสิทธิ์ไม่ทุกข์นี่มันก็เป็นไปไม่ได้หน้าที่รักษากายไม่ให้ทุกข์นี่โอ้มันมีเยอะนะเช่นการดูแลรักษาตัวให้ดีการกินการอยู่การออกกำลังกายการใช้ชืด อ, อย่างมีสุภาพนามัยรวมไปถึงการทำความดีด้วยนะ ถ้าเราทำความดีเช่นมีศีลเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องเดือดร้อนที่จะมาคุกคามกายและใจหรือช่วออยเราเป็นทุกข์ได้เพืาะ ว, ว่าคือต้องมีธรรมะศีลเนี่ยเป็นสริมท ง, งของธรรมะขับรถขับราถ้าเรา ไม่ดูแลกายและใจให้ดีคือมีความประมาทเพราะว่ากินเหล้าเสพยาอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องคือหน้าที่รักษากายและใจไม่ให้ทุกข์ให้การทำความดีเนี่ยโดยเพาะเริ่มจากการรักษาศีลซึ่งหมายถึงการไม่เบียดเบียนเป็นเบื้องต้น อย่างที่วิญจาตัดตาบัญญัการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายในโอวาทตปาติโมงหรือว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยอันนี้มันจุดเริ่มต้นเลยของหน้าที่เสร็จ แ, แล้วก็ทำความดีนยการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลธรรมที่เราบำเพ็ญเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกำแพงที่จะขวางกั้น ความทุกข์นานาชนิดไม่ให้วา ม, มาถึงตัวเราแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถป้องกันความทุกข์บรรดามีได้ร้อเปอร์เซ็นอาจจะป้องกันความทุกข์ได้ทั้งแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นคนที่ทำความดีนะก็เหมือนกับว่าความดีนั้นคุ้มครอง ถ้าเราไม่ทำชั่วถ้าเรารักษาศีลให้ดีให้ความทุกข์นะที่จะเกิดขึ้นจากคนอื่นที่เ้าคับแค้นเพราะการเบียดเบียนของเราหรือทุกข์ที่เกิดจากความประมาทเพราะเราผิดศีล5้ามันก็เกิดขึ้นกับเราได้น้อยแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกข์ จำนวนหนึ่งที่สามารถจะก้าวข้ามผ่านกำแพงแห่งความดีมาถึงตัวเราได้ทำดีแค่ไหนก็ยังต้องเจอความพัดพลากสูญเสียเมื่อจะเป็นคนรักของรักต้องเจอความแก่เจอความเจ็บความป่วยเจอคำต่อว่าด่าทอพวกนี้เนี่ย มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับคนดีอย่าว่าแต่ขารวะเลยนะแม้กระทั่งพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทำดีแค่ไหนก็ยังต้องเจอความแก่ความเจ็บความพลาดพลาดสูญเสียรวมทั้งความตายด้วยแต่ว่า ถ้าหากรู้จักราาักษาใจให้ดีนะไอ้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์หรือบีบคั้นใจให้เกิดความโศกความขับแค้นความร่ำไรลำพันได้ราาักษาใจยังไงนะราาักษาใจด้วยการศึกษาเรียนรู้ ให้ใจเนี่ยนะเข้าถึงสัจธรรมความจริงให้ใจเนี่ยนะสามารถที่จะเห็นนะความจริงความจริงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงที่อยู่รอบตัวเราที่เห็นด้วยตาเนื้อ หรือว่าได้ยินด้วยหูนะแต่มันเป็นการเห็นด้วยใจนะการเห็นเนี่ยนะหรือว่าเห็นสัจธรรมเนี่ยมันมีอนุภาพน ะ, ะช่วยช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยคำว่าเห็นเนี่ยในพะุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นมากเลยนะไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวนะนอกจากทำดีแล้ว ก็ต้องเห็นสัจธรรมความจริงด้วยอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยคูอาจารตาผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราสถาคผู้ใดเห็นปฏิจจสมบัติผู้นั้นเชื่อเห็นเราเห็นอันนี้มันเป็นมากกว่าการทำนะทำนี่ก็เป็นเรื่องการทําความดี แต่ว่าทําดีแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่เห็นนมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าจัดในหลายที่นะเรื่องเห็นเนี่ยเมื่อใดควรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หรือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเลยด่นในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลง นั่นแหละเป็นทา ง, าง ท, างท่านิภพาจะเป็นธรรมดจดเข้าถึง ท, างท่านิพาหรือดินแดนแห่งความเกษมหรือว่าความพ้นทุกเนี่ยเพราะเห็นเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนคกอเป็นอนัตตารวมทั้งที่ตัดนั่นเอง พอสวดบนต่งเส้นเราก็สวดอยู่เป็นประจำนะผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ ง, นงนอนเงันคลอนแคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะอันนี้หมายถึงไม่ใช่แค่สัจธรรมนะแต่หมายถึงธรรมารมณ์ก็ได้นะธรรมารมณ์คือความคิดและอารมณ์ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจนแจ้งแม้เราจะยังไม่สามารถจะเห็นสัจธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ไม่สามารถจะเห็นสังขารเพราะเป็นอนิจจังทุกขังหรือไปเห็นธรรมะเป็นเห็นธรรมต้องพ้นอนัตตาได้เนี่ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเห็นได้ในขณะที่เปปุตตชนอยู่ก็เห็น เห็นกายเห็นใจนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยการการฝึกสติปัญฐานเนี่ยจึงเป็นหัวใจกรรมฐานในพุทธศาสนาเลยเพราะว่าเป็นการฝึกให้เราสามารถที่จะเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆไม่ใช่แค่เห็นรูป ไม่ใช่แค่เห็นภาพอันนั้นมันเห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าเห็นกายและใจเนะี่ยหรือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะมันเห็นด้วยตาในนะคือสติกเราจะยังไม่สามารถเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมต้องเไปิดเป็นอนัตตา หรือผู้นาคือยังไม่สามารถจะเห็นด้วยปัญญาว่าไม่สามารถเห็นด้วยปัญญาถึงสัจธรรมที่เรียกว่าไตรลักษณ์แต่น้อยเราก็สามารถจะเห็นด้วยสติเมื่อกายเคลื่อนไหวเมื่อใจคิดนึกอันนี้เลยว่าเห็นกายและใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะ การที่เราจะทำหน้าที่รักษากายและใจไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยเราต้องทำหน้าที่ในการรู้กายรู้ใจจางท่องแท้อาจจะไม่ถึงอาจจะม จ, จะยังไม่ถึงขั้นรู้ว่ากายและใจเนี่ยมันเป็นอ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลา กายเคลื่อนไหวก็รู้เวลาใจคิดนึกก็รู้ที่หลวงพ่อท่สอนอยู่เสมอเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนี่คือความหมายของการรู้กาย ร, รู้ใจมันไม่ใช่เป็นการรู้ด้วยตาเนื้อนะรู้ด้วยตาเนื้อเนี่ยก็คือรู้รู้กายว่าประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรชิ้นส่วนอะไร หรือว่ารู้ถึงขั้นกายวิภาคอย่างที่หมอเรียนหมอเรียนกายวิภาคก็คือเป็นการรู้กายของมนุษย์โดยสารอาจารย์ใหญ่เป็นหุ่นและนั้นเป็นการรู้เป็นการเห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าคำว่ารู้กายเนี่ย ที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงรู้ด้วยตาในคือสติเมื่อเรามีหน้าที่นะถ้าเราต้องการสิทธิ์ทจะไม่ทุกเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะมารู้กายรู้ใจซึ่งก็ไม่ได้รู้ยากอะไรไม่ต้องใช้ความคิดไม่เหมือนการรู้กายวิภาคเนี่ยโอก็ต้องเรียนตอนปิดเป็นปีๆต้องท่องจำ เอาวิวต่ละส่วนแม้กระทั่งกระดูกแต่ละแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นต้องจำให้ได้อนนี้รู้กายนะในทางในทางโลกแต่รู้กายในทางธรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้ว่าเอกายนี่ประกอบด้วยธาตุธาตุสี่ แต่ว่าเรายังสามารถจะรู้ในระดับที่มันง่ายกว่า น, นั้นคือรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปก็ไปรู้ใจคิดนึกรู้ใจคิดนึกก็รวมไปถึงรู้อารมณ์ซึ่งหมายทําให้เราสามารถที่จะเห็นหรือเข้าใจความทุกข์ที่เกิดกับกายและใจได้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่อันนึงนะคือนอกจากไอการที่เราจะทำหน้าที่รักษากายและใจไม่ให้ทุกเนี่ยนอกจากเราจะต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องทุกด้วยรู้เรื่องทุกเนี่ยก็ไม่ต้องรู้จากไม่ได้รู้จากสภาพนำมาทำแต่รู้จากความจริงก็คือเวลาทุกมันเกิดกับกายเวลามันทุกมันเกิดกับใจ เวลาทุกข์เกิดกับกายก็ให้เห็นนะว่ามันคืออาการของกายอาการที่เกิดกับกายเวลามีทุกข์ที่ใจก็เห็นว่ามันเป็นอาการที่เกิดกับใจอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ไม่รู้กายรู้ใจแล้วก็ไม่รู้ทุกข์อย่างจริงจังนะหรืออย่างแยบคายเนะี่ย เวลามีทุกข์เกิดกับกายเวลามีทุกข์เกิดกับใจก็ไปสําคัญต้นหมายว่ากูทุกข์กูทุกข์กูทุกข์เวลาความปวดเกิดกับกายเวลาความเจ็บเกิดกับกายแทนที่จะเห็นว่ามันคืออาการที่เกิดกับกายก็กลับไปสําคัญต่นหมายเป็นตัวเป็นตนว่ากูเจ็บกูปวดกูเมื่อยเช่นเดียวกันเวลามีความโศกความ ขับแค้นความเกลียดความเศร้าเกิดขึ้นที่ใจแทนที่หมอมันคืออาการที่เกิดกับใจก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าเราทุกข์เราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราเศร้าคือยึดหรือสำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนไปไปหมดมันไม่ได้ เห็นว่ามันเป็นคืออาการที่เกิดกับกายและใจถ้า ม, มีสตินะมาดูสังเกตกายและใจเนี่ยเวลาทุกข์เกิดกับกายและใจนี่มันก็จะมเมาเลยนะว่าเป็นกูทุกข์กูทุกข์กูปวดกูเมื่อยกูโกรธกูเครียดกูเศร้ากูโศกและตรงนี้แหละนะที่เขาเรียกว่า เป็นทุกข์นะแทนที่จะเห็นทุกข์การที่เรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์เนี่ยนะก็เพื่อที่จะเพื่อที่เราเนี่ยจะเห็นตรงนี้แหละนะว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์มันเป็นกายที่ทุกข์มันเป็นนามที่ทุกข์หรือว่ามันเป็นหรือที่หลวงพ่อหลวงพ่อเตียนใช้ว่ารูปทุกข์นามทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์นะแต่มันเป็นรูป ตางหากที่ทุกข์มันไม่ใช่เราขับแฉนเราเครียดแต่มันเป็นนาต่างหากที่ครับแฉนที่เครียดหรือว่าผู้อื่ยากนี้คือมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้นะด้วยการมีสติเป็นเสมือนตาหนเนี่ยมันก็ทามารถทำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้นะ คือเวลามีความปวดนะมันก็ไม่ใช่มันก็แค่กายที่ปวดนะแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะว่ามันไม่มีความสําคัญมันหมายว่ากูปวดกูปวดเพราะกูปวดเมื่อไหร่ใจก็จะปวดทันทีการเห็นกายมารู้กายรู้ใจเนี่ยเมันทําให้อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาความทุกข์เกิดกับกายเนี่ยนะมันใจไม่ทุกข์ด้วย มีเรื่องเล่าสมัยที่หลวงปู่บุต ธ, ธาเนี่ยนะไปรับนิมนต์ไปฉันอาหารที่โยมเขานิมนต์เอาไว้คราวนั้นก็มีพระหลายรูปเนี่ยไปฉันด้วยเพราะว่าอาหารเป็นพิษนะโอ้ยพระเรียกว่าทั้งคณะเลยยกไว้หลวงปู่เนี่ย เรียวกว่าอาจเจียนจนหมดแรงแล้วก็เรียกหมดสภาพไปเลยเพราะอาหารเป็นพิษมากไม่ใช่แค่อาจเจียนเฉยๆแต่ว่ามีความอาการหมดสภาพไปเลยขณะที่หลวงปู่ทึ่อายุมากเนี่ยท่านก็ก็ยังฉันเสกท่านคุยกับโยมได้ระหว่างที่คุยท่านก็อาจเจียนเป็นระยะระยะ ถึงเวลาจะาเจียนนี่ก็เอากระโถนมาแล้วท่านก็อ่าเจียนใส่อ่าเจียนเสร็จท่านก็คุยกับโยมต่อโอโยมนี่ประหลาดใจมากเพราะพระที่หนุมกับท่านนี่หมดสภาพไปเลยเขาก็สงสัยหลวงปู่ทําได้ยังไงวัท่านก็บอกว่าก็เวลาร่างกายมันเจอยาเบื่อยาเมามันก็เป็นอย่างนี้แหละคืออ่าเจียนหมดสภาพแต่ใจมันไม่ได้โดนด้วย เรื่องกายกับเรื่องใจนี้จยมาปดกันนะมันคนละเรื่องกันนะผู้ยานนี่คือว่าหลวงปู่ท่านก็เวลาเจอเจอยาเบื่อเจอหารเป็นพิษนะั้นท่านก็ป่วยนะท้องไส้ท่านก็ปั่นป่วนแต่ใจท่านไม่ทุกข์นะเพราะว่าท่านแยกออกนะระหว่างทุกข์กายกับทุกข์ใจ อันนี้เพราะว่าท่านนะนอกจากมีสติท่านก็มีปัญญานะจานเราเห็นว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันเป็นกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์พอเราไม่พอเราไม่ได้ทุกข์หรือไม่มีความรู้สึกกูทุกข์เนี่ยใจมันก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยผู้อาคือหรือผู้อย่ากคือมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จะพูดอย่างนั้นก็ได้มันมีความปวดความเมื่อยแต่ไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อย ตรงนี้แหละหน้าที่กลับมาตรงที่อุจจาระต่องเนี่ยผู้ใดสัตว์ทั้งหลายเราได้อาศัยเราเป็นกะยนามิรสัตว์เหล่านั้นจักพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร้อนแรงพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยหรือจะไม่มีความตายแต่ว่า มันมีก็จริงแต่ไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้ป่วยผู้ตายมีแต่ความแก่ความป่วยความตายแต่ไม่มีผู้ตายอันนี้เรียกว่าพ้นจากมันไม่มีพ้นจากความแก่ความป่วยความตายพระเช่าไม่มีความแก่ความป่วยความตายมีแต่ไม่มีผู้แก่ผู้ป่วยผู้ตายแล้วดังนั้นจึงไม่มีความโศกความรำล้ำลำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้ มันไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วหรือว่าไม่ไม่ไปเกิดใหม่เมืเ่อไปเกิดใหม่ก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายความวัาภ่าอีกมันแม้กระทั่งขาที่ยังมีลมหายใจแม้มีความป่วยแต่ก็ไม่มีผู้ป่วยแม้มีความแก่ก็ไม่มีผู้แก่แม้มีความตายก็ไม่มีผู้ตายอันนี้แล้วว่าเป็นการออกจากแม้ว่าเจอทุกนะแต่ว่าไม่มีผู้ทุก เพราะาใจไม่ได้ทุกข์ด้วยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะจากการที่เราได้หันมาศึกษาเรียนรู้กายและใจจนนิจ ท, ทำให้เกิดสติแล้วก็ปัญญาที่ทำให้เห็นสัจธรรมความจริงหลวมทั้งเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจนะว่ามันเป็นสัตวว่าอาการมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราที่เป็นผู้ทุกข์